ตอนอบรมคอร์สนาวามินระหว่างวันที่9 11กันยายน2559ตอนที่สองเขาที่มีสองเรื่องเขาเรื่องหลังก่อนเรื่องอรหันตจี้โกคือไม่มีนายาอะไรอาจารย์ทาเนี่ยฝึกสมาธิเจริญสติส่วนจี้โกงเนี่ยใช้สมาธิสติทำหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะการทำหน้าที่คือบนทงมุ่งุขว ไม่ใช่ช่วงฝึกนะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเรียนรู้วิชาใดๆเลยเราเกิดมาเพื่อเดินทางต่อแต่การเดินทางต้องใช้สมาธิใจสติแค่นั้นเองแต่สังคมไทยเราเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์การปฏิบัติธรรมไปอยู่แค่ฝึกสมาธิจเจริญสติมันเข้าไป่ถึงปัญญาการปฏิบัติธรรมคือการเจริญมรรคผลนิพพานไม่ใช่เจริญสติเราติดกวง เรียนรู้แบบแยกส่วนที่ควเขาทำหน้าที่หน้าที่เดินก็เดินมองข้างหน้าก็เดินแต่ใช้สมาธิใช้สติถ้าไม่ใช้สมาธิสติก็ลงอาจารย์อาฝึกสมาธิเจริญสติมีการกําหนดอยู่ชีวิตเราเนี่ยกำหนดทุกอย่างแล้วไม่เคยอิสระเลยแม้กระทั่งเต้นอลลบิกก็ต้องกำหนดท่าเนืกลัวมันจะผิดอันนั้นคือฝึกอันนั้นแต้กายภาพแต่ในทางจิตวิญญาณแล้วเนี่ยก็เครียดกับการฝึก สามวันนี้เราไม่ได้ฝึอกอะไรนะเรามาทําหน้าที่ไม่ต้องเรียนไม่ต้องฝึกทําเลยมันตั้งอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองนะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ฝึกวิชาใดๆกนะ็คือการทําหน้าที่เวลากินข้าวก็ตั้งมั่นอยู่กับการกินข้าวไม่ใช่กินไปด้วยคิดไปด้วยนึกไปด้วยอันนี้คอร์ัคชั่นหน้าที่เราไม่ใช่ฝึกหน้าที่แล้วแต่ก็ต้องถึงขัง้นเยกขึ้นหนอกเอเที่ยวหนอก อันนคือฝึกก็กินข้าวอย่างมีสติใช้สติใช้สมาธินะฝึกกำใช้าไหมือนกันนะจี้งองเนี่ยใช้สติใช้สมาธิทําหน้าที่ในการเดินอาจารย์อาคูมาสมาธิเจริญสติเราหลงป่าเราถูกที่อยู่วัดสรพใส่กระสอบเข้ไปทางป่าพอเราฟื้นขึ้นมาออกมาเนะี่สิ่งที่เราเราต้องทําเร็วที่สุดคือหาทางเดินออกจากป่าให้เร็วที่สุด ไม่ใช่ไปศึกวิชาจะเดินบ่าหรือศึกษาสมาธิถึกไม่ใช่นะทีนี้เราต้องใช้ปัญญาปัญญาพื้นฐานว่าเฮ้ยบ้านเราอยู่ทิศตะวันออกเราต้องรอพระอาทิตย์มันขึ้นทางนี้ไปทั้งนี้เดินเวลาเดินเราต้องใช้สมาธิไม่ใช้สมาธิก็ขัดขาตัวเองลมไม่ใช้สติก็ตกเหวตกบ่อนี่คือมั่นเดินเดินไปถูกบ้างผิดบ้างลบลงไปก็เป็นผิดเป็นครูต่อไปก็ชํานาขึ้นเอ๊เมื่อไหร่จะถึงว่า ตื่นขึ้นมาก็เห็นแต่ป่าเหมือนเก่าเบื่อนั่งรอเสือมันมากินเบื่อก็เดินไม่เบื่อก็เดินนี่คือหน้าที่เราเกิดมาเพื่อเดินทางก่อนนะคอนเซป ต, ต์นี้คือเรียนรู้แบบสเต็ปแบบวิชาการทีละขัน้นทีละขัน้นไม่ใช่เรื่องทางโลกเรื่องจิตวิญญาณทําแบบนั้นตายก่อนตายก่อนกระแสะกรรมอะไรที่เราทั้งหมเราต้องเข้าไปเอาของเก่าเราที่ฝึกมาหลายร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติล้านชาติเอามาต่อยอด ปัญญาเรามีอยู่แล้วทุกคนทําได้นะ้ะเมื่อกี้เด็กๆ ก, ก็ทําได้นะเมื่อกี้ก่อนปีทาโอเคมาถึงก่อนปีทาอันนี้คือไวยาอะไรทุกอายุทําได้หมดอาการทีโกคือไม่จํากัดการเวลาด้วยสถานที่ใครก็ทําได้ถ้าเราฝึกวิชาใดวิชาหนึ่งก็ใช่ใครก็ทําได้เอาเราฝึกโยคะผู้เฒ่าผู้แก่ไปฝึกได้ไหมไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ท่าทเต้นนาราบิไม่ใช่เ้นง่ายนะนะ ไม่ใช่ใครๆก็ทำได้นะแต่ถ้าเราทำหน้าที่ทุกคนทำได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวจากที่ผู้ครูพูดเสร็จปุรัทุกคนมาเตรียมพร้อมร่างกายจิตใจอารมณ์นะเตรียมเตรียมเครื่องมือเดินทางกั น, นอันนี้เป็นโปรกแปกรมแรกเตรียมพร้อมร่างกายจิตใจอารมณ์มีห้าสเต็ปเ้าเรียกว่าเช็คกิ้คือสัตนสะเทือนตอแน้นสันะเทือนนี่ให้จิตเรามี อะไรมีหน้าที่สัญญาไม่ต้องหาทางโน้นทาง น, นี้สั่งตามที่เราคุณเราเคยชินแสดงสัญญ า, าเตืที่มันอะไยังไงเนความคิดมันก็ยังคิดอยู่สันทําไมว่าทําอะไรว่าก็ให้มันคิดไปอย่าไปคิดตามมาันเท่า น, นั้นเองไม่ใช่หน้าทีเ่เราถ้าสั่ด้วยไปคิดด้วยเนี่แสดงว่าเราละเลยหน้าที่เราไม่ซื่อสักับหน้าที่เราเราขอรับช่าหน้าทีล่ละนี่หน้าที่คือตั้งมันเป็นอย่างเดียวกับมันพลังตันี้มันจะดึงให้เรามีพลังสัญญาเดือนถึงว่าสมัยก่อนเขาตั้งข้าวคนคนวันละตั้งข้าวตั้งข้าวป อามาใส่ใส่เลยรกระดมแล้วก็สันสั่นสันสั่นสั่นแลก็แยก็แยกแยกแนะสั่นสๆๆนสั่นสั่นสให้กดคลายร่างกายจิตใจอันนี้วิชานี้ทามาจากไหนคือสามชั่วโมงที่มันเกิดขึ้นกับพวกกูคืนนั้นน่ะพวกกูเห็นกระบวนการทํางานกันหมดบุญเยอะมากโชคดีมากที่ไม่รู้เรื่องภาษาวิชาการสันสันนาถ้ารู้เรื่องเดี๋ยวคิดว่าไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรวะละเน่แค่จะมีพลังนะมันดึงกลับ มันเกิดขึ้นเราเห็นมันชัดขึ้นครัดมาสามชั่วโมงกูให้นกรบวนการทำงานเพราะกูมาเรียนรู้เรื่องภาษาทีหลังว่าไอ้ น, นี้เขาเรียกว่าอะไรไม่สำคัญหรอกรู้ก็ได้ไม่รู้ไม่เป็นไรแค่ภาษาเป็นภาษาสมมติเฉยๆและรกๆไม่รู้เลยดีกว่ารู้ปุ๊บทำไปด้วยวิเคราะห์ไปด้วยลังเลสงสัยไปด้วยเอาเครื่องนี้ก็เปรียบเทียบกับเรื่องนั้นเพราะเราเป็นนักฟุตบอลใช่ไหมนะอยู่ๆแล้วก็ไปฝึกตะก้กอไปเตะตะก้อแล้วก็คิดไปเปรียบเทียบกับ ก, กับ ก, กับ กับปฎิกาพุทธบอเนี่ยไม่ตั้งใจงไปฝึกเนี่ยนะมันไม่สำเร็จ น, นะการปฏิ บ, รรตบัติธรรมต่อสั้นท่านคืออยู่ปัจจุบันธรรมะอดีตเป็นแค่สัญญาเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วเป็นสัญญาที่มันทึกไว้คิดจนตายแล้วก็ไปเปลี่ยนมันไม่ได้อนาคตคือตัญหาคิดอยากความอยากคิดยังไงก็ไปทำไม่ได้ม็นยังไม่ถึง คิดจะนอนไม่หลับคิดถึงขนาดคนมันก็ทําอะไรไม่ได้ความจริงคือปัจจุบันถ้าเราสามารถหายใจเข้าออกเป็นปกติได้ชีวิตเราก็เป็นปกติสุงตอนนี้ประตูวันที่หนึ่งปบเขาบอกปุ๊บดีใจเกินไปนี่ช็อกตายได้ไแ ต, มตกก่มันหายใจไม่ทันนะแล้ยิงข่าวร้ายนี่ตกใจมากเกินไปก็ช็อกตายได้แต่มันหายใจไม่ทันลงหายใจหนันไม่ปกติลงหายใจเป็นปกติก็เป็นปกติสุง ชีวิตเราคือปัจจุบันนั่นแหะการปฏิบัติธรรมการทําหน้าที่ตามธรรมาชาติคือปัจจุบันไม่ใช่อดีตนะคนุณแต่บางครั้งเราเรายึกชาติเราเรายึดชาติไม่ใช่เป็นหลงอดีตอดีเราเป็นเสือปัจจุบันการกอารลิง ก, การเวลาที่เราเป็นเสือเราก็รู้อารมณ์เสือในเวลานั้นนะรู้เพื่อเพื่อเป็นบทเรียนทําให้จิตปัจจุบันรู้ว่า เราเรียนว่ายตายเกิดมาเยอะแล้วเราเป็นมาหมดแล้วเวลาที่เหลือมันอยากจะเป็นอะไรเหลยมันไม่ต้องการเป็นอะไรอีกแล้วนะล้วไปเจอคนแก่เดินหลังโกงโอ้ยทุกข์ก็ทุกข์ลุกขึ้นก็ทุกข์เดินก็ทุกข์วิ่งเร็วๆเหมือนสาวๆหนุ่มๆก็ไม่ได้ใช่ไหมถามว่ายายแก่แล้วเป็นยังไงโอ้ยทุกข์มากบอกจำแม่นๆนะคุณยายห้ามแก่อีกแกบอกทํายังไงเลย อย่าเกิดนะถ้าไม่อยากแก่เจ็บตายอีกมีอย่างเดียวเท่านั้นอย่ากเกิดเด็วคาะแต่เราเป็นคนขี้เลยตอนแก่มากูกูไม่เอาและ้ะนิ่เจ็บมาโอ้ไม่เอาละเบื่อนลนะวมันจะตายก็ตายไม่ลงหวงลูก่วงหลานเอาเอาเงินไปฝังไว้ตรงนั้น่ะลืมบอกมันตายไม่ลงอีกนะแต่พอตายไปแล้วปุ๊บลมมาเกิดใหม่อีกลืม อ, อีกแล้ว วันแรกเกิดมาพวกกักนแหงปากร้องอยีกเลยสนุกดีทุกนะตั้งแต่วันแรกงนะั้นทำไมไมันไม่ดีใจเออดีใจจังเลยฉันเกิดมาแล้วอยู่ในท้องแม่ อ, อืดอัดไม่อิสระก็คุณเกิดอิสระแล้วทำไมคุณไม่หัวเราะร้องไห้ทำไมอทุกข์ก็เกิดละเขาจำได้หมายรู้ว่าเกิดทีอะไร ท, ทุกทุกทีใช่ไหมเราแกล้งลืมแต่พระพุทธเจ้าไปเจอสารนี้ไงเรียกว่ามหาสติปัญญา เราฝึกอนุรสติกว่าร้อยอย่างเนาะพูดตั ว, ต ว, ตวอะไรๆเป็นสติเล็กๆขี่จักรยานก็มีสติขาก็ถีบไปมือก็จับแผนตาก็มองข้างหน้าเอาไว้ใช้ชุที่คือนี่คือสติสัมปชัญ ญ, ญารู้ตัวตัวภประมช้มันเป็นระลึกรู้แต่มันไม่มีกําลังที่จะลึกรู้อดีตได้แต่ถ้าเราพัฒนาเป็นมหาสติสติใหญ่มันสามารถมีกําลังไปลึกรู้อดีตได้นั่นแหละไปเอาปัญญาเก่าของเราเดี๋ยวมาต่อย้อน ที่เราฝึกมาทั้งหมดมันไม่ได้หายไปไหนไม่ใช่มาใหม่ใช่ไหมตายกอไก่ขอไข่เอบีซตายกอกระแสกำลัสร้างมาหลายล้านชาติเหมือนกันบุญเก็สร้างมาเหมือนกันแลแ<ต>้วก็ไปเอาบุญเก่า ม, ม, มต่ อ, อยอะนี่คือหลักการของมาหาสติประการต้องรวมกายเวทนารวมเป็นหนึ่งเดียวใช่ไหมมันถึงจะมีพลังไปรื้อรั้นอีตได้แต่เห็นอดีตไม่ใช่ไปหลงอดีตนะไม่ต้องรวงเราเรายิ่งใหมาหมดแล้ว เราท้งให้มาเกิดอย่างไรแล้วมาเกิดเพื่อจะไม่เป็นอะไรจิตปัจจุบันมันชอบใหญ่อยู่แล้วก็ไปเจอหนีทูกยิ่งใหญ่มากก็ไปก่อนเหมือนใบบอกเบี่ยงที่เหี่ยงจริงอะไรจะเบี่ยงหามาเกิดตายกางหมนะ่แต่ถ้าเราไม่กล้าเข้าไปไม่กล้าสาสางเหมือนเราแกล้งลืมผู้ือนพวกคว่าทุกอย่างสมมุติเราเป็นหนี้ธนาคารก็สมมุติไม่ต้องจ่ายไม่เป็นไรนะเป็นสมมติเฉยๆธนาคารมันยอมไหมธรรมชาติบอกอย่าค่าทําไมเกิดขวด เข้าไปปรชิญมาเข้าไปปรชิญมาทั้งกรรมรีกรรมชั่วบัลมีฝ่ายบวกเอามาต่อยอดฝ่ายลบใหญ่มันเราเป็นคนไม่เหนี่ยวนี้ไม่มีใครใจ่นี่กรรมหมดเราไม่มีทางเป็นแสนแสนกรรมเลยสพราะว่าีกรรมแค่นี้บุญเราแค่นี้แล้วก็สร้างฝ่ายกุศลขึ้นมาแล้วก็ลดตรงนี้มาวันใดฝ่ายกุศลมันมา ก, กว่ากุศลนั้นยิ่งขึ้นมา ศาสดาหลายศาสดารวมทพระพุทธเจ้ า, จาด้วยนะตัดสูตทําเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วอยู่เหลือบุญบามแล้วไม่ต้องสร้างบารมีอแล้วทาไมไม่นั่งเฉยๆนะยังสร้างศาสนาขึ้นมาทําหน้าที่สี่ห้าปันสาในระหว่างนั้นเนี่ยโดนเทวรัตนเล่นงย่างใ่เห็นไหมเราเองไม่สมมร้างกรรมเหรอเราเราเราเคียร์คอตเนี่ยแล้วแต่เราไปหยุดกรรมที่คนอื่นเขาบันทึกสัญญา แบบเกิดพยาบาทเราไม่ได้แต่มันกระทบไม่กระเทือนจิตเราไม่ง้อที่จะไปทุกข์กับมันแค่นั้นเองนะนอกจากวันใดวันหนึ่งเราละสังขารแล้วไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในสามโลกกัทนานี้แล้วเนี่ยกระแสกรรมก็เลยดีกาไม่ได้เราจามันไม่หมดไม่มีทางหมดแล้วจะต้องกังวลมากเอย่าเป็นห่วงไหนฉันไม่เคยเข้าวัดไม่เคยปฏิบัติทําเลยยิ่งดียิ่งดีถ้ารู้บ้างไม่รู้บ้างนั่นแหละ มันจะเป็นบ่วงหลังเลสสงสัยนะเรื่องศีลต้องเข้าใจด้วยนะเออต้องเธอต้องมีศีลเป็นเบื้องต้นนะถ้าไม่มีศีลเป็นเบื้องต้ น, น, น, นสมาธิไม่เกิดสมาธิไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดเพ่อครูคนหนึ่งไม่เชื่อพเพเ่อครูไม่มีศีลเลยเพราครูเริ่มจากปัญญาระเบิดปึ๊งมันเริ่มจากสมาธิม่มีปัญญาปุ๊บยี่สิบเจ็ดปีไม่ต้องถือศีลด้วยแต่ไม่ทำชั่วแน่นอนทุกวันนี้มือ ả, ถือสารปากถือศีลถือถือหุด มันเป็นสินตัวหนังสือตัวแรกมันไม่ใช่สินแท้ๆศินจริงๆคือความปกติของจิตเมื่อจิตมันไม่มีความอยากแล้วมันต้องไม่ต้องมันไ ม, ไ, มไม่ต้องไปฟูมันก็นิ่งไงมันทำไมต้องไปโกหกเขาล่ะมันไม่อยากอะไรเลยมันจะไปโกหกทำไมเห็นไหมแล้วถึงเข้าถึงจลงรู้ว่าโอ้โอสินคืออะไรใครรู้จักองคุริมาบ้างองคุริมาผิดสินไมมฆ่าสัตว์ไหมไม่ฆ่าคน เ้าร้อยเก้าสิบเก้าเลทำไมมันบรรลุทาได้สมมติ่างนี้ไอเรื่องกรรมก็กรรมไอเรื่องบุญก็บุญเรามีหน้าที่สร้างบุญเพิ่มให้หนีมันนะอย่าไปท้อถอยว่าเห้ตัวเองอย่างไรอย่างไงนะไม่ต้องห่วงถ้าเราไม่มีกรรมเราก็ไม่ได้มาเกิดอีแล้วก็อย่าดูถูกตัวเองนะถ้าเราไม่มีบุญมหาศาลแล้วนี่เราก็ไม่ได้เกิดในร่างบรรลุผู้เปรนเซอร์แล้วไม่ได้มานั่งอยู่ที่นี่ ยังหลงระเลยอะไรอยู่เมือนกัมีบุญเก่าแน่ๆอย่าดูถูกตัวทุกคนมีสิทธหมดนะทุกคนมีสิทธิหมดเราเกิดเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเพราะเช้าเพราะคู่เกิด น, นะมนุษย์เราเป็นสิ่งเดียวที่แสวงหาความหมายนะถ้าตั้งความหมายผิดก็ทุกทุกพื้นฐานเกิดแก่เจ็บตายไม่พอทุกก็อยากมีอยากเป็นอยากชนะอยากอะไรๆเป็นทุกข์ก็กลุ้ม แ, แต่สัตว์เดรัจฉามันไม่ทำนะต้นไม้ใบยญ้ามันไม่ทำ แต่เพราะเราเป็นสิ่งเดียวที่แสวงหาความหมายได้ถ้าเราแสวงหาความหมายที่ถูกต้องเราทนทุกได้นี่คือจุดเด่นที่มนุษย์เรามีความเป็นส่วนต่อสัตย์เดชธรรมต่างๆ อ, อยู่ที่ว่าเราจะใช้มันมแต่ตอนที่เราใช้ความปเป็นส่วนของเราไปสร้างเทคโนโลยีไปสร้างอะไรๆๆเพื่อจะชนะคนอื่นขาดทุนนะั้นยัางสัตย์เดงธเกิดมาชาติหนึ่งกําไรชาติหนึง่งมันจายนี่กำไรชาติเป็นตัวจบกาไรอยู่แล้วชาติหนึงน่งแต่มันไม่สามารถก้าวกระโดดแบบมนุษย์ตัวได้ มนุษย์เรา่าบางทีชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเราดีไวล์วเข้าไปเรียนรู้ในจิตเราเป็นเป็นบางทีเป็นสิบสิบชาติเลยนะเป็สิบสิบชาตเลยหล่ะถ้าชาติที่มันไม่แดงเนี่ยพับพบพับพพเนี่ยมันมันไปสัมผัสเป็นต่จ่ายนี่กันมันไ้เร็วเร็วมากแต่ชาติที่แันแดงบางทีแห้งกับเราหลายชั่วโมงหน่อยหนึ่งจ่ายมันแล้วก็เรียนรู้กับอารมณ์นั้นตัวอย่างตอนนี้เรายังไม่แก่เราเห็นคนแก่คนึเดินมาโอยอยโอยโอ้โหยสงสารนะเราสงสารคนแก่ เรารู้หรือเปล่าว่าคนแก่นั้นทุกแค่ไหนไม่รู้เราจินตนาการเองน่าจะทุกนะทุกแค่ไหนแต่ถ้าเราดีวายก็เป็นคนแก่เสเองเนี่ยเราจะรู้ว่าคนแก่ทุกแบบไหนแล้วเราจะแยงเราจะไม่อยากแก่อีกไม่อยากเจ็บอีกไม่อยากตายอีกจิตมันก็มุ่งมั่นมีอย่างเดียวตรงนั้นถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายคืออยาเกิดอีกเด็ดขาดทุกคนทำได้ อุ้ยไม่กล้าคิดหรอกพูดแต่เรื่องสูงสูงสวรรค์สูงขนาดที้นะิพพานน่ไกาเออเนะีอันนี้คิดผิดคิดใหม่ได้นะนิพพานไมาได้อยู่ไกล้ตัวไม่ได้อยู่ใกล้ตั ว, ม, ตวมันอยู่ข้างในตัวเรียบร้อยแล้วจนวัดไม่ได้นะมันอยู่ข้างในเรียกว่าพุทธจิตแค่พิจิตทุกคนมีสินนะเราเป็นมนุษย์ตุ่ประเสริฐเพราะธรรมชาติการก่อผลจเรียนคิวมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ย โอ้โหไม่ดูกี่ชาติแล้นี่คือเราประเสริฐเพราะเราบรรเป็นเพียนได้เรามีกายเทวดาทําไม่ได้เพราะไม่มีกายอสัตตสันติฐานมันมีกายมันมีกายก็จริงอยู่แต่สมองมันเล็กกว่าเราเราตัวเล็กกว่าช้างสมองเราตัวกว่าช้างคือจิตที่ถูกกันกอนาางบารมีเราค่อยมาเกิดอยู่ในร่างนี้ร่างนี้พร้อมสมบูรณ์ที่เ จ, เจริญ นี่คือมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่เราชนะสัตย์รนแบบแต่ตอนนี้เราถูกสอนเด็ยนกๆหาเงินเยอะๆรวยแล้วจะมีความสุขทุกข์กับการเรียนทุกข์กับการหารเงินไม่ใช่ไ ม, ไม่ไม่หาเงินนะทุกคนต้องมีอาชีพแต่อย่าไปทุกข์กับที่ต้องมีความพึงพอใจรัอาชีพที่เราฝันต้องมีความสุขกับมันถ้าเราทําไปดยทุกไปด้วยวันนั้นพ่อกรูหาเด็กคนยังไปปฏิบัติที่ศูนย์เขาจะกลับข้างมาลาเขาเพิงสอบหายรายได้ ค, คณะวิทยาศาสตร์ บอกลกพรากูถามหน่อยพูกเรียนไปทําไมเขาก็นั่งคิดต้องนั่งคิดก่อนนะเขาบอกว่าจะเอาตัวรอดแค่นั้นเดี๋แค่นั้นหนูไม่ใช่อาชญานแค่อัวตัวรอดเพราอยังัหนูไม่ต้องไปเรียนรูกไปเรียนวิชา่าษาไปเรียนกระลิงดิงมันรอดไหยมันรอดแบบไม่ทุกด้วยลิงรอดมันตีรังตาได้เห็นไหมเอ้าแล้วทําไมเราต้องมาใช้ชีวิตแบบมันเขร่งเคียดขนาดนี้ล่ะบางคนไม่รอดด้วยนะ เอาเงินอนาคตมาใช้ลงหนา้านเห็นไหมคนในหมู่บ้านพวกคุอยู่ในยี่สิบเจ็ดปีก่อนพ่อคุณมาดูเนี่ยอย่าไปถามว่าใครรวยกครจนจนหมดแต่เขายิ้มแย้มแจ่มใสนะพวกคุมาจากอเมริกาเฮ้ยในโลกที่มีอย่างนี้หรอเขาพาพ่อคูไปเก็บเห็ดไปเก็บหน่อไม้เฮ้ยอาหารที่ก็มีไว้ยไม่ต้องซื้อเงินเห็นไหมเขาจนแต่นักวิชาการหวังดีเนี่ยไปสอนให้เขายากจน ยากจนยังไงรู้ไหมเร่งมันไม่เจริญเติบโตสอนวิชาการนะปุงแต่งนั่นปุงแต่งนี่อไปแล้วไปกู้เงินธนาคารมาทําสุดท้ายเจ๊งหมดเขาไม่ได้เรียนรู้วิชาหาเงินเขาไม่ได้เรียนรู้วิชาบริหารเงินจากจนอยู่ดีๆทาให้เขายากจนตอนนี้ยากแล้วนอนไม่หลับมันมาทวงนี่ถูกยึดแผ่นดินหมดนี่เระหวังดีประสงค์ลายไงบางคนเนี้ยเขาคุณพูดอะไรพูด ตลกตลกจนมันจะดีได้ยังไงแต่เขาจนอยู่ดีๆนะเขาไม่มีทุกข์อ่ะหิวก็ติ่มม่วงก็นอนเห็นไหมน่ะวิชาเอาตัวรอดนะไม่ต้องไปเรียนให้มันทุกข์ยากไงถ้าเอาตัวรอดเฉยๆแบบนั้นสิถ้าเรียนแล้วไม่ใช่แค่พออยู่พอกินแค่อยู่รอดนะถ้าเรียนแล้วมันต้องมีส่วนเกินที่ยิ่งใหญ่เพื่อแบ่งปันถ้าเรียนแค่เอาตัวรอดเฉยๆนี่ไม่รู้จะไปเล่นเกมนี้ทาไมเห็นไหมไปเป็นลิงดีกว่า ถ้าเราไม่เข้าใจชีวิตต่อจากไอริงเนะลิงมันไม่หาเรื่องเพียงนะคําว่าริงโลดเนี่ยมันหมายถึงความเบาของมันมันตีลังกาได้ไหมของเราตีได้ไหมนักนาบนาโกน่าใจตรงนั้นแหละห่วงโน้นห่วงนี่นะทําไมมนุษย์เราถึงจะต้องจับระบบชีวิตเงให้เป็นแบบนี้ไปนั่งคิดดูนะเราเปลี่ยนโลกไม่ได้เปลี่ยนเกมไม่ได้แต่ชีวิตเป็นของเราเรามีสิทธิ์เปลี่ยนเราเองได้เพรครูหลักคนหนึ่งเราเบิดบึ้ง ไม่กล้าพูดอะไรหน่อยพูดอะไรไม่หลักมิจะถอยมาอยู่ในป่าคำว่าป่าคือไม่ใช่ถอยจากเมืองนอกมาอยู่เมืองนอกนะไม่มีบ้านไม่มีถน น, นเข้ามาเพราะกูนั่งเรือข้ามดังนั้นต้องเขื่อนจีนทอนอยู่แบบไม่มีไฟฟ้าอยู่สิบเอ็ดปีสงบเย็นอ่าวควมเจริญเข้ามามันตัดถนนเข้ามาและมีสะพานเข้ามาแล้วตอนนี้มันขนกีเเข้ามาด้วยอ่าขนเข้ามา กูรู้เท่ากันหมดน ะ, นะทีนี้เพียงแต่ว่าเราป้องกันคนคนแต่นั้นยากหน่อยหนึ่งสิ่งเราใจมาเลยยิ่งไอไ้อไที่มือถือไร้สายเนี่ยสมัยก่อนในโทรศัพท์ในบ้านเนี่ยไปกิี๊งดังทั่วบ้านเลยพูดอะไรได้ยินกันหมดใช่ไหมอันนี้ไปพูดในป่าก็ไม่รู้นะเราจะคุมเด็กมันได้ไม่มีป่าอยู่ละขึ้นไร้สายเนี่เท็จหน่วยยิจงจะเลิญไงจะเล่นไงไม่รู้จะเล่นขึ้นจะเริญ เห็น ไ, ไหมอันนี้เล่าให้ฟังแล้วก็ต้องเข้าใจว่าเมื่อกี้นี่คําว่าปฏิบัติทรรมไม่ใช่ฝึกวิชาสมาธิจเจริญสตินะโจรก็มีสติโจรก็มีสมาธิอย่างยิ่งเขาต้องใช้สติสมาธิมากกว่าพวกเราอีกเพราะมันต้องขโมยครับแต่มันไม่มีศีลมันไม่มีปัญญามันก็ใช้สติสมาธิไปเบี่ยนเบีเ่ย น, น, นมันใช้เป็นวิชาสติวิชาสมาเป้าหมายคือจบที่ปัญญาไม่ใช่สติสติไม่ใช่พิธ ยลงรัศึกษาพุทธธรรมบ้างนะนี่พวกครูแลกเปลี่ยนนะแต่พวกครูไม่ได้ไปตอกย้าเรื่องศาสนาศาสนาอยู่ในใจทุกคนเป็นสิทธิเสรีภาพเระฉะนั้นคือศาสนาอะไรนับถึงเป็นเถอะมันแค่เป็นพิธีมันธรานขององค์กรนั่นก็ทําไปอันไหนมันดีก็ทำเลยเถอะแต่ในพุทธศาสนาการฝึกจิตคือการเจริญมันมักๆคืออะไรข้อแรกเห็นชอบดำหรือชอบเป็นเรื่องของปัญญา ว่าจะชอบอาชีพชอบการกระทำชอบเป็นเรื่องของศีลเนี่ยศีลมีแค่สามข้อเท่าเทียมกันไม่แด่งชั้นกันะต้องการปลดปล่อยตัวเองต้องการยิ่งผ่านทําแค่สามข้อส่วนศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลปฏิโมกเป็นศีลตัวหนังสือเนี่ยมันเกิดขึ้นทีหลังเป็นวินัยเป็นเหมือนกฎหมายบ้านเมืองล่ะเป็นอุบายในการอยู่ร่วมเพื่อไม่กระทบกระทังกันนะศีลจริงๆเนี่ยต้องปฏิบัติเพื่อเป็นยิพงผ่าน วาจาชอบพูดอะไรแต่มันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นพูดแต่เรื่องที่มันมีประโยชน์สร้างสรรค์ไม่ใช่พูดเสียดสีพูดด่าเขาแต่ก็เกลียดเธอเธอก็เกลียดฉันสร้างศัตรูอยู่ในั้นมันไม่ชอบอาชีพที่เราทำต้องชอบนะไม่ใช่ว่าอุ้ยของแพงฉันก็บอกว่าแพงมันดีนะมันแพงอันนี้มันไม่ดีมันก็ถูกบอกตรงๆฉันซื่อสัตว์เนี่ยแต่ฉันเท้าหน้าร้านปวดเพรา็เข้าไปไม่ได้กลัวเขาขโมยของดึกๆอื่นเขาไม่นอน อันนี้ไม่ใช่สัมมาชีวะนะคุณเบียดเวียดตัวเองนะแล้วสุดท้ายคุณจะหาเงินมารักษาโรกไม่ใช่สัมมาชีวะอาชีพอาศัยอย่างชีพคืออยู่ได้ไม่ตายนะเราต้องทําอาชีพอย่างมีความสุขนะแนะ่นะนะนะนอนไม่โกหกไม่ไม่หลอกลวงเขาแนะ่นอนนี่เป็นพื้นฐานแต่ว่าต้องไม่เบียดเวียดตัวเองด้วยไม่ใช่อยากได้จน ด็อกเตอร์คนหนึ่งทํางานอยู่นาฬิกามันบอกเที level, level, ่ยงแล้วเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วไม่ได้กินนะเพราะงานยังไม่เสร็จไอสีมาหัน จ, จตัวนี้กวดด็อกเตอร์ ต, ต, ตายยเนยตายไวนะท้าาองมันร้องก้อ oh, oh, oh, oh งก้องก้องเหิวแล้วเธอหิวแล้วกินข้าวเถอะนี่คือสัญญาณเตือนภัยนะแต่ความรู้ด็อกเตอร์บอกว่าเฮ้ย e งานไม่เสร็จนมันมจะไม่รวยอย่ามึกินทํำไปถึงเที่ยงคืนนาฬิกามันบอกเที่ยงคืนแล้วเที่ยงคืนแล้ว นะไม่หยิบทีนี้สิ่งมาหันจัจดจะเริ่มขัเตัวอหอยิบปัญหาใหญ่เลยอะไรเงน้ยนั่หนา น, นอนเถอะความรู้ล็อกเตอร์บอกว่าพรุ่งนี้ต้องส่งงานงานไม่เสร็จจะไม่รวยทําถึงสว่างไปส่งงานมาได้เงินมาล้านหนึ่งมารักษาโรคเครียดโรคมาเลย <S <S อันนี้ไม่ใช่สัมมาใชีวหมคุณเปลี่ยนเี่นตัวเองเพราะคุณยากเกินไป ม, มันไม่ใช่ทางสายการนะ <S <S แล้วต<า>้องเข้าใชจสิ่งเกิดเห็นไหมอาชีพชอบการจระทำชอบจริงๆแล้วมีข้อเดียวก็พอครับ การจะทํายุกอย่างเนี่ยต้องชอบไม่มีการเปลียบแปลงเป็นแล้วคนอื่นเกิดขึ้นนะสิงห้ามีอะไรรู้ไหมครับกูนั่งไม่พูดไปจาชั้นไม่ฆ่าสัตว์ชันไม่พูดปลดนะฉันไม่รักขโมยฉันไม่เป็นสินในกรรมนั่นเฉยๆเหมือนต่อไม้ต้อก็ก็หินคนหนึ่งไม่ได้ไปสั้างความดีอะไรก็แค่ไม่ช่าช่วย ไม่ใช่ไม่ใช่แค่นั้นเราต้องมีการกระทาเกิดขึ้นตอนนี้เราให้ทำมาทานได้ไหมไม่เป็นความลับเป็นลิขสิทธ์ฉันต้องส่วนลิขสิทธิ์เป็นเงินเห็นไหมไม่มให้ไม่ได้เห็นไหมแล้วก็พลาดโอกาสในการสร้างความดีนี่ศีลสมีแค่สามขอ้อไม่แบบฉันบรนานะต้องการหมดปล่อยตัวเองดีไม่วุ่นวายทำแค่สามขอ้อ พูดจาอะไรพูดเรื่องเป็นผูสนเป็นพยนเลยนะพูดอาชีพที่เราทำเราต้องมีความจย่ไม่มีเปนเป็นตัวเองไม่เปลย น, นเป็นคนอื่นการกระทำทุกอย่างก็เหมือนกันคำว่าชอบคือไม่มีการเปลี่ยนง่ายมากทำเรื่อยแต่ยากที่สุดเพราะกิเลสไปทำให้เราเผลออยู่ด้ยนเะอาละตัวสุดท้ายนี่สำคัญมากก็คือความเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบ สามข้อนี้อยู่ในหมวดของสมาธิสติซึ่งเป็นกําลังของสมาธิพระนั่นเองมันไม่ใช่พระเอกแต่ตอนนี้เจริญสติเจริญสติอาจารย์อาเจริญสติไม่เกิดปัญญาเราต้องเจริญมรรคผลนิลนพพานแต่การเจริญมรรคต้องใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาชายีสีห้าพละห้าผู้จงเจตมรรคมีมุมแบบ สติปัฏฐานสี่ที่บาทสี่สมัครปานสีรวมกันแล้วเป็นโพธิปกิยธรรมสามสิบเจ็ดประการซึ่งเรามีอยู่แล้วเต็มเปีเป่ยมออกมาใช้ไม่ใช่ไปฝึกแต่บางอย่างต้องเข้าไปในโกดังเราโพ้ชมเนีมันอยู่ข้างในถ้าเข้าไปในจิตจริงไม่ได้เราไม่สามารถเอาพผู้ชมมาต่อยอดเราเจอแล้วนะอยู่ที่ว่าเราจะลองเมื่อกี้เขาส่งฉันอยากโอเคได้เวลาปฏิบัติ ให้เวลา5นาทีใครจะเข้าห้องน้ำเจอเลยครับ